วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2537 เป็นการบรรยายพระอภิธรรมเบื้อง 8 ดวงโลกุตตรจิต 8 นั้น 2 เค้าเรียกอย่างนึงว่าโลกุตระกุศลจิต 4 ดวงและผลจิต 4 ดวงเรียกอีกอย่าง 8 ดวงโดยพิสดารนั้นมีถึง 40 ดวงก่อนอื่น ในพระไตรปิฎกนั้นท่านอาจจะเรียกชื่อด้วยชื่อหลายๆชื่อแต่ๆกันกับโลกุตตรจิตเราก็คือๆโลกุตตรจิตนะครับเพียงแต่ก็รวม <c oughs> แปลว่าจิตซึ่งไม่มีจิตอื่นจิตท่านจึงแบ่งเป็น 2 จิตกับอนุตระจิตอย่าง ที่นอกเหนือจากนั้นต่ําลงมาตั้ง 8 ขึ้นไปคือเนวะสัญญาณาสัญญาฐาน 키ล. Johannes. interpret. โรคนันการธรรมศัทย์ρέ ideeความแ skulleร 부분이結構�이 ac Gerade Per of the pattern, อาจริงเป็นคำว่ารอOver us. c.Lرب�� oh. crock canvi mean illusion. อุตรคำนึง Or percent น่างนั้น you need to be included in your�� are some might say? นะคะอุโธตราจึงแบควาโไปบั arkadaş and sovereignty is a natural world. เมรอ cros website บล or Ruby. 이러is itас? อุตรคำนึงอุตราปแเปลว่าเหน circun어요 Be fulfil Cred� groot uk์ να confirm a novel and if you want ตามพยัญชนะนั้นแปลว่าความที่น่าซึ่งเป็นชื่อของวิปะริณนามธรรมหรือตรงกับศัพท์ในหรือตรงกับคําว่าอนิจจังก็ได้แปลว่า เปลี่ยนอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันเปลี่ยนอยู่ทุกชั่วโมงและเปลี่ยนอยู่ทุกๆขณะความที่มีขณะคืออนุขณะขณะย่อยขึ้นมาได้ก็เพราะความเป็นโลกนั่นเป ถ้าถามว่าโลกในทางพุทธศาสนาได้แบ่งไว้อยอย 3 อย่างคือโอกาสะโลก เราใช้โลกเป็นที่เกิดเพราะพูดเกี่ยวข้องกับสัตว์ซึ่งเป็น โลกโดยสภาวะในสองอย่างที่หมายถึงเป็นกลุ่มธรรมจําพวกหนึ่งใน 2 อย่างคือการ ไม่ใช่จิตใช่จิตไม่ใช่จิตอ่ะสุขนิพพานอันนั้นเรียกว่าอสังขตธรรมไม่เรียกว่าเป็นโลกในๆที่นอกเหนือจากนิพพานแล้วไม นี่เป็นความหมายของคําว่าโลกซึ่งเรา 3 อย่างนี้น่ะมันเป็นอันเดียวกันเป็นหรือขันธโลกเนี่ยโดยเชิงสมมุติโวหารคือ ในลักษณะของโลกโกวาหานว่าเป็นโลกภูมิเรียกสภาวะธรรมเป็นกลุ่มเป็น แมสัตตวโลกก็เหมือนกันสัตตวโลกเนี่ยก็เป็นๆทั้งหลายซึ่งโดยเนื้อแท้ แล้วจะเป็นหน่วยธรรมที่แตกต่างกันคือหมายความว่าภูมิก็ แต่ว่าโลกนั้นอาจจะไม่อาศัยเราก็ได้แต่จริงๆก็อาศัยอยู่บ้างล่ะครับเพราะ ได้ความเป็นจริงก็บ้านเรือนนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําของสัตว์นั่นเองภูมิทั้งหลายนี่ก็เหมือนอย่างนี้ดังที่ได้กล่าวว่านรกนั้นเกิดจากกรรมของสัตว์เป็นผู้ ในทางปรัชญาธรรมว่าอย่างนั้นเอ่อเทือนี้ก็เนื้อวัตถุของโอกาสะโลกของโอกาสะโลกแล้วก็เป็น ว่าโดยเนื้อแท้แล้วก็เป็นเนี่ยก็ อัจฉนโลกุตตรจิตนั้นพ้นจากโลกจริงหรือโลกุตตรจิตนั้นเกิดอยู่ในในสัตว์หรือเกิดอยู่นั้นก็ไม่ได้ คือกลุ่มขันธ์แต่ละหน่วยแต่ละหน่วยที่บรรลุๆที่เป็นโลกียจิตเจต จะเรียกว่าพ้นไปจากโลกได้อย่างไรเพราะถ้าๆโลกุตตรจิต ใช่มั้ยเพราะผูกพันกับสัตว์สัตว์ผูกพันอยู่กับก็ผูกพันอยู่กับเกิดนอกภูมิไม่ก็ได้ความว่าโลกุตตรจิตเนี่ยจะไปเกิดในนิพพานจะไปเกิดกับสัตว์ในนิพพานก็ไม่มีเพราะในนิพพานนั้นไม่มีสัตว์จึงเป็นอัน เราก็สงสัยแล้วว่าพ้นไปจากโลกอย่างไรเมื่อไม่พ้นไปจากโอกาสะโลกเมื่อไม่พ้น ความหมายที่ท่านแต่หมายความว่าพ้นคือหนึ่งว่าพ้น ระบุชื่อปัจจัยก็คํา 2 คําก็จบแล้วนะแต่นี่ว่าเรายังไม่ได้เรียนกันมาทุกคนเป็นภาษาคืนอยู่กลาง เราก็มาพิจารณาทีละจุดที 2 อย่างนั้นประการแรกที่บอก 8 คือมรรคผล 4 นั้นถ้าถามว่ามีอะไรเป็นอารมณ์หลายท่าน รวมทั้งสกตาอาการอนาถาด้วยล้วนแล้วแต่มีนิพพานเป็นอารมณ์เสมอกันเหมือนกันไม่ต่างกันซึ่งจะนะก็คงจะต้องแล้ว กุศลและจิตแม้ว่าจะเป็นโลปาเหมือนกันตัวฝ่าเหมือนกันก็มีอารมณ์ที่แตก ไม่เชื่อเป็นอารมณ์เดียวหรือกระทาไม่ใช่เดียวเสียอย่างแท้จริงต่างๆหยาบบ้างประณีตบ้างปานกลางบ้างแตก <c oughs> อารมณ์ที่เราพบเราเห็นทางเป็นผู้เสพรสเดียวกันคือวิมุตติรสอย่างที่พระ สุดยอดของความวิเวกเป็นสุดยอดของความสงัดทิ้งได้อย่างสนิททิ้งได้นะเราก็ รำคาญเสียงทีวีเหลือเกินรำคาญเสียงเพลงเรื่อยเราอาจจะปิดทีวีเราๆมันก็แทรกเข้ามาทําให้เราเกิด นิมิตไปสู่ความเป็นอนิมิตะเป็นต้นคือทิ้งอารมณ์ในโลกนี้ละอารมณ์ในโลกหายเป็นปลิด นิพพโสดาบันเป็นต้นหลีกโลกเข้าสู่ความปลีกเล้นคือ เรียกว่าพ้น 1 คือว่าพ้นจากโลกในความหมายที่เรเรเรเร 2 คือธรรมดาว่าจิตพวกอื่นคือกุศลกรรมอกุศลกรรมพวกอื่นพวก 12 ดวงเรานึกถึงกุศลจิตคือกามาวจรกุศลมหากุศลจิต 2 จําพวก เมื่อเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วยังวิบากนี่พูดถึงวิบากในเชิงกรรมก็จะส่งผลหรือนั้นปรากฏอยู่ในโลกๆนี่ๆคดีๆส่วน อัตภาพไม่เกิดขึ้นก็มันก็มาอยู่ในโลกถึงความเป็นโลกเกี่ยวข้องกับโลกแล้วก็ได้ความเป็นสังขารโลกคือความคือเมื่อมาเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งมาได้มาบุญและทําบาป ที่เรียกว่าอภิสังขารามันในชั้นสูงเนี่ยนะเอาไปเปรียบ เราก็นึกได้ว่าโลกุตระนั้นนําบุคคล ทำให้เมื่อเกิดขึ้นวิบากคือผลจิตนิวิบากคือผลจิตเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นไม่นําเกิด ที่ตัวเองยินดีติดใจนั้นแล้ว หรือเท่าที่บุคคลนั้นยังมีเชื่ออาศัยเกิดอาศัยอาศัยเกาะเพื่ออาศัยเป็นที่เหยียบ เมื่ออยู่จนสิ้นเชื้อก็เป็นอันว่าผลและจิตนั้นเขา ของโลกุตตรจิตนั้นไปสู่ทางนั้นและเมื่อ ทางไปโดยอารมณ์แล้วก็โดยทิศทางเมื่อโลกุตระดําเนินไป อันนั้นก็เป็นเป็นด้านบวกทีนี้เอ่อในส่วนที่ อาสวะนั้นแปลว่าตามศัพท์แปลว่ามีอาสวะซึ่งเป็นชื่อของอิเลกเครื่องมักดองอนาสวะก็แปลว่าไม่มีอาสวะซึ่งคําว่ามีเนี่ย อนาสวะธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีอาสวะโดยความหมายคือไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะบัติแปลว่ามรรคและผลเนี่ยมันพ้นจากกิเลส เอา 4 ตัวอารวะ 4 กามมาสวะความกำหนัดกิเลสคือกามความกำหนัดอย่างกามภาวาสวะความกำหนัดอย่าง แล้วก็อวิชชาตวาคือความหลงก็เอาความง่ายๆว่ากุศลและอกุศลเหล่าอื่นทั้งหมดแล 8 ดวงนี้กามาสวะเข้ามากำหนัดได้เข้ามากำหนัดไอ้ตัวกามาสวะเนี่ย แม้ว่าสิ่งนั้นโดยจริงๆแล้วอาจจริงๆแต่มันก็ทําให้เป็นวัตถุกาม เช่นพระพุทธรูปเนี่ยโดยความมุ่งหมายของผู้สร้าง เพราะกูจะรูปซึ่งเป็นที่ตั้งของ ทั้งที่บุคคลเหล่านั้นเค้าไม่ใช่เป็นกามบุคคลเนี่ยแต่ไอ้ตัวกิเลสคือวัตถุกามเข้าไปจับปั๊บเนี่ย เกินวิสัยสามารถที่มันจะนึกได้ก็คือโลกุตตระจิตมันนึกไม่ออกเห็นคุณค่าไม่เป็นเพราะฉะนั้นๆเงี้ยว่าถ้าเราพูด ฉันไม่เคยไปทําอะไรที่จะเป็นที่ตั้งของนะก็ไม่รู้จะเอาประโยชน์ยัง ไม่เป็นไม่เห็นประโยชน์จริงๆนึกไม่ออกจริงๆถึงแม้จะๆระหว่างหลังกลับออกมาวัดหมดต้องคนเนี่ยอโลกุตตระจิต โลกคือกิเลสที่เป็นตัวยึดโลกยึดสังขารโลกยึดแต่ต่อมีอะไรเนี่ยแต่ว่ายึดหมดยึดผลไม่ได้นี่ผมยกตัว <c oughs> ก็ยังไม่ชัดเจนน่ะก็ไม่รู้จะแล้วนี้นิพพานนี่อะไรเขาถึงคน ชอบนิพพานไม่ลงจริงๆเวลาที่เราจินตนาการอย่างปล่อยใจไปลึกๆไปนิพพานแล้วมันจะมีอะไรไปแล้วก็ เรเรเรเรเราก็นึกถึงคุณของนิพพานไม่ออกเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องเราก็คงจะต้องอนุมานเข้าใจได้ว่าเมื่อภูมิทําไม่ถึงเนี่ยยังไงยัง คนหูคนตาจิตเนี่ยอิเรภัตนาตัวเข้าไปยังไงก็จับโลกๆเนี่ยพอมีเรามีที่แล้วโอกาส เราอย่าไปแสวงหาอัตภาพคือความเป็นสัตว์บโลกในโลกใด ต่อตนต่ออกุศลซึ่งเป็นเรื่องลบิยธรรมเนี่ยมันเห็นผิดนะฮะเห็นผิดมากเห็นผิดน้อยนี่เป็นปกติเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งซึ่งๆทีเดียวคือเราเอง ตัวปยาบาทนิพพานพอมันเกิดขึ้นมาเรารู้กันไม่ไว้วางใจที่บางทีเราๆเนี่ย ความเห็นผิดเห็นผิดซึ่งมันมีหยาบมีละเอียดเรา ครั้งใดครั้งหนึ่งแล้วก็นึกว่าเราเนี่ยพ้นจากความเข้าเสมอกันอันหนึ่งคือ มันก็มีละเอียดขึ้นไปโดยลําดับขึ้นไปโดยลําดับเราต้องตามเช่นเป็นพระ แล้วก็สุดท้ายคืออวิชชาสวะคือนี่ก็เป็น ไอ้คําว่าไม่รู้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้มันก็ไม่รู้ไอ้หน้าตามเป็นๆเค้าก็นึก เออรู้มั้ยแต่เรื่องอะไรดลมีอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่าง เขาก็มองเค้าก็คิดเหมือนกันมองอดีตมองปัจจุบันแล้วก็มองอนาคตมองทะลุแล้วก็มีความรู้เค้าเค้าวางใจถูกเค้าควรเข นั่นคือไม่ใช่ว่าเขาจะมีความๆดีไม่ดีก็เห็นคนที่ ที่อันเกี่ยวข้องกับนิพพานไม่ได้คือมนุษย์เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวท่านจะงงว่าก็เราไม่รู้โลกุตตระจิต 8 เนี่ยอันนั้นไม่ใช่ ไม่กล้าว่าไงหมายความเอามาดาว คืออย่างสมมุติว่าเรานอนหลับอยู่เนี่ยเราไม่ได้ปรารภเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่คํา ไม่สามารถที่จะมองเห็นความเป็นจริงในวิ่งนั้นได้เรายังๆว่าขณะที่เรากําลังปราลบ เจริญสติเราก็ดูลงไปมันไม่เห็นนะฮะไม่เห็นความเกิดดับอย่างเอาเอาเอาภาษาทั่วๆหน่อยมัน 3 ประเด็นที่ผมจะ นี่กําลังจะพูดถึงอวิชชาคือความไม่รู้นะเนี่ยสมกับอวิชชาจริงๆจริงๆแหละอวิชชาละแค่นี้คงจะจบ คือที่ว่าไม่รู้ไม่รู้อย่างหนึ่งคือปกอารมณ์อันนี้เรียกว่า อวิชชาที่ว่าไม่รู้นั้นเพราะว่ายังๆที่ๆมาในใน เวลาท่านพูดถึงอวิชชาเนี่ยจริงเกิดกับมีเกิดกับมี อวิชชาปราลภสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์อยู่ขณะนั้นชื่อว่าเกิดในอารมณ์นั้นแล้วมันก็ทําหน้าที่ปกปิด อวิชชาเกิดมันเกิดเมื่อใดก็ต่อว่าเกิดเมื่อเราเกิดอกุศลจิต 12 เช่นกําลังโกรธอยู่เนี่ยมีเนี่ยใครจะ เหตุผลไม่มีความหมายถ้าคนเกิดอวิชชาปรากฏมันทําหน้าที่ปิดมันกําลังแสดงดิบ กำลังนั่งอยู่เนี่ยเรายังมีอวิชชาอยู่แต่วิชาที่เรามีน่ะมันมีระดับต่างๆกันนะแต่พูดถึงขั้นมรรคขั้นผลเนี่ย คนนี้ 1 2 3 4 5 นั่งเป็นแถวในกําหนดเห็นแล้วอย่างเราว่าไม่เห็นก็เนี่ยจิต เอาเราก็อาจจะบอกว่าบางครั้งเป็นอกุศลบางครั้งไม่เป็นอกุศลไม่เป็นอกุศลก็คือเราพยายามตั้งสติอย่างดีแต่ทําไมไม่เห็นทั้งที่จิตไม่ มันมีพลังที่สกัดกั้นไอ้กุศลจิตที่เรากําลังเกิดขณะนั้นให้มีอานุภาพน้อย<อ> ที่เกิดๆปัญญามีพลังมากขึ้นแล้วก็ลดละอวิชชา เห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในขณะนั้น เจริญธรรมขึ้นไปจนทั่งถึงเกิดผลทำลายอวิชชาได้หมดถึงจุดนั้นแล้วบุคคลนั้นก็สามารถที่จะเห็นสภาวะธรรมปลุหมดแล้วก็ไม่ แล้วก็ทําลายคนนั้นก็จะเห็นได้ตลอดไปอํานาจของอวิชชาที่ คือท่องอวิชชาของเองน่ะก็ไม่ต้องพูดถึงอวิชชาของ อย่างเนี้ยคือตัวเราเป็นอารมณ์อยู่ขณะนั้นแกอวิชชาขณะ ไม่ได้ได้ไม่มันเป็นเรื่องของการมิงั้นนะแต่การหน่วงเอา พอเห็นเมื่อยังละอวิชชาไม่ได้ก็ไม่สามารถเข้าใจมรรคเข้าใจผลอันนั้นว่าอ่ามันว่าเนี่ยเราเทียบเหมือนกับ เกิดอวิชชากำลังเห็นพระอริยะองค์นั้นนึกถึงพระอริยะอยู่การนึกถึงพระอริยะองค์นั้นแล้วเกิดอวิชชาอยู่นั้นมันเข้าไปไม่ถึงถึงนะไม่เกิดอวิชชาได้ แต่นึกไม่ออกนึกไม่ออกนึกว่าคุณธรรมท่านเป็นยังไงเนี่ยนึกไม่ออก ประเภทแยกแยะกันอย่างดีถึงจะฟังแล้ว 8 แบ่ง 4 เรียก 4 โลกุตตรวิบากจิต 4 เรียกว่าผลจิต 4 ที่เรียกผลเพราะเป็น ไม่เหมือนโลกิยจิตน่ะโลกิยจิตนั้นมีโลกิยะกุศลจิตโลกิยะอกุศลจิตโลกิยะวิบากจิตมีหมดโลกิยะกิริยาแต่โลกุตตรจิตเนี่ยชาติเท่าคือกุศลชาติกับวิบากชาติไม่มีอกุศลและ ไม่มีโลกิยาโลกุตระไม่มีแล้วทําไมพระอรหันต์จึงมีเออถ้าพระ ก็ตอบว่าไม่มีเพราะกิริยาเนี่ยเป็นแต่เพียงคํา จึงเรียกว่าเป็นกิริยาส่วนโลกุตระเนี่ยมันมันเรียกว่าเป็นจิตที่พระอรหันต์ไม่ได้เคยได้ใน ศูนย์เปล่าเช่นว่าได้มากได้ผลแล้วไปสู่พบนั้น กุศลอื่นใดที่ให้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ทั้ง กุศลที่เคยทํามาแต่อ่อนแต่ออกได้วิบากได้ผลบุญแต่มรรคเนี่ยเป็นตัวทําลายกิเลสกิเลสไม่มีแล้วแต่นําคือ เอ่อทําไมจึงเรียกว่ามรรคจิตอ่ะตรงนี้ท่านก็บอกที่เรียกว่ามรรคจิตนั้นเพ 8 เพราะเป็นจิตที่สัมปยุตกับองค์มรรค 8 เร 8 เราลองไล่ แล้วก็กําหนดองค์ธรรมดูว่า 1 สัมมาทิฏฐิองค์ธรรมคือปัญญาเจตสิก 2 สัมมาสังกัปปะองค์ธรรมคือเรืออะไรเจตสิกสังกัปปะคือวิตกเจตสิกใช่มั้ยสัมมาวายามะเจตสิกองค์ธรรมคือวิริยะ องค์ธรรมคือวิรัติเจตสิก 3 กายวิรัตติวจีวิรัตติแล้วก็อาชีวะวิรัตติเนี่ยอะไรล่ะ 6 เลยมาสัมมาสมาธิองค์ธรรมคือเอกัคคตาเจตสิกและสัมมาสติอ้าวพล้ามไปนะสัมมาสติองค์ธรรมคือสติ เป็นเจตสิก 18 ดวงเจตสิกทั้งเนี่ยเป็นเรื่องของจิตๆส่วนรวม จึงไม่ได้แปลว่าจิตเป็นองค์มรรค 8 นั่นเองมี 4 เคยมีคนถามว่ามรรค 4 มรรคจิตเนี่ยทําไมจึงเป็น 4 4 เพราะจิตเนี่ยท่านนับเป็น 4 นะเป็น 4 มั้ย 4 ขั้นโสดาปัตติมรรคจิตขั้น 1 ก็ในโสดาปัตติมรรคจิต 8 นั่นเองเกิดขึ้นครั้งแรก 8 ที่เกิด 1 เกิด 2 เรียกว่ามรรคจิต เหมือนถ้าเติมคํา 4 ครับไม่เป็นไปถ้าองค์มรรคนะฮะอัตตังที่ก็ดวงที่เป็นตัวองค์ถ้าพูดถึงในว่าคู่ ซึ่งโสดาปฏิผลโสดาปัตติผลเป็นคำเรียกโสดาปัตติมรรคจิตนะผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลโสดาปัตติผล ผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลเป็นชื่อของสกทาคามิมรรคผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลเป็นอะอรหัตผลเป็นชื่อของอรหัตมรรคในพระ อันนี้ก็มาดูมรรคจิต 4 มรรคจิต 4 คือโสดาปัตติมรรคจิตสักกทาคามิมรรคจิตอนาคามิมรรคจิตอรหัตตมรรคจิตมี 4 ทั้ง 4 นี้ในนี้ คำมโสตะเนี่ยแปลว่ากระแสเนี่ยจริงๆแยกอาอาปัสสิเป็น 2 คํานะอาสาปัสสิอ่าคําหน้าแปลว่าแรก อาบัติที่ปราททําผิดเนี่ยเป็นเรื่องความผิดมรรคฌานอันนี้โดยเป็นเยญนะแต่ว่าโดย อำนาจที่ลากิเลสคืออะไรโสดาที่แปลว่ากระแสเนี่ยถามว่ากระแสตรงนี้ น้องฟังนะเอ่อบุคคลที่ชื่อว่าอนุสโสตะคามีอนุสโวตะคามีแปลว่าบุคคลผู้ไป 2 อติโสตะขามีบุคคลไปทวนกระแสเป็นอย่างไรทวนกระแสเป็นอย่างไรบุคคลบางคน นี้เรียกว่าบุคคลปลายตามเป็นอย่างไรผม ต่อความสิ้นไปแห่งโอรัมภาสิยะต่อไปโยธ 5 ปรินิพพานในโลกนี้บุคคลผู้ตั้งตัวทะเลอะพาเลติดติสติปาโมโน แล้วเข้าถึงแลซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอนหาตวะมิได้อ่าอ่าที่เกี่ยว <c oughs> กระแสอันนี้ท่านก็ใช้คําว่าโสดาบันเหมือนกันในในพระไดรวิดีโอที่ผมว่านะแล้วก็กระแสตรงกระแสนี้เป็นปุพปรมาที่มีอุปมาัยแตกต่าง ส่วนกระแสที่กล่าวถึงในพระไตรปิฎกที่ผมได้อ่านให้ฟังว่าบุคคลผู้ ธรรมะก็มีอย่างอธิษฏะปริยาญาสุเป็นต้นอ่า เสเพกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างปกติธรรมดาแล้วก็ย่อมกระทํา นี่ผู้ไปทวนกระแสอ่าเดี๋ยวก่อนพูดถึงผู้ไปทวนกระแสนี่ ทุกอย่างภิกษุใดทํากรรมนั้นชื่อ ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติเราอยู่บ้านอยู่เวณนาสนะเอ่อมีคราวที่ เป็นเรื่องตลกดีเหมือนกันผมก็ได้ยินมาจากเด็กว่าเอ่อมีครอบครัวผู้มีตระกูลใหญ่ตระกูล <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ทั้งถึงก็อ๋อผมขาโผล่นอนอยู่กันที่ฉะนั้นคนที่เนี่ยเค้าก็อยากจะให้ธรรมะนะให้ธรรมะตอบแทนเอาว่าแม่นมเนี่ยเค้าก็เถียงบอก <c oughs> เขาบอกว่าไม่รู้เลยพระธรรมนาโคดมเนี่ยมาปราทลุเป็น ไม่ใช่การแย่งชิงทางการเมืองใช่มั้ยล่ะจะมาเที่ยวแย่งชิงกันๆนะพวกที่ๆมาบาดแท้ๆ เป็นการเรียกว่าใส่ร้ายพระพุทธเจ้าด้วยความที่ไม่เป็นจริงน่าจะเป็นไม่ใช่ไปเที่ยวขโมยบาปนะบาปไม่ใช่น้อยทีเดียวแล้วลองคิดสิครับ แย่งจริงกันเนี่ยนะพอนิมนต์ท่านก่อนผมทีหลังก็ได้ ทุกคนมาตามบารักษ์ตามจังหวัดตามบารมีของแต่ละคนแต่ละคนไม่ใช่เป็น <c oughs> ที่ว่าไม่เสพกรรมอลามกบุคคลนั้นจะถึงจะมีความทุกข์ทรมานมีใบหน้าชุ่มด้วยน้ําตาร้องไห้อยู่ก็ประพฤติพรหมจรรย์ไปสู่ปรุญญ์ข้อนี้ท่านหมายถึง <c oughs> ไม่เสพตามคําว่าไม่เสพตามหมายความว่าไม่เสพอะไรๆปัจจัยอย่างอย่างสํานึกที่เป็นไม่ว่าจะกินอาหารหรืออะไรก็มีอะไรพยายามที่จะเสพสิ่งเหล่านั้นยังไม่ใช่กรรมคือ <c oughs> <c oughs> เปบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อย่างเป็นกามแม้สิ่งที่ไม่เป็นกามๆเหล่านี้น่ะหรือ <c oughs> นี่เมื่อเราละเราควบคุมฝืนเหมือน <c oughs> ได้ความฝืนใจขมขื่นของกิเลสจากการประพฤติธรรมเนี่ยเอ่ออย่างเราก็ ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าเราก็จะต้องเห็นๆเรามองดีเรามองตัวเรามองพวกเราที่เค้าไม่ได้ประพฤติธรรมมันก็คนละ <c oughs> ยังเอ่อที่วัดเบญจมกรนี่เคยไปตอนธรรมะอยู่พระอาจารย์เจ้าอาวาสอ่าท่านสมเด็จพุทธิวงค์มุนี มันน่าจะพึงโรมากฟังแล้วเหมือนกับเสียงที่เค้า มันคนละกระแสกันอย่างนี้อ่าทีนี้อีกคนนึงที่ท่าน เราเนี่ยถึงแม้จะรู้สึกโวยมือเก่าแล้วมือเก่าม้าเก่าอะไร กี่เส้นกี่เส้นแดงเลยว่าใครที่ยังละไม่ได้ยังเนี่ยยังดีเนี่ยโดยนั้นแปลว่าคนที่ยัง ต้องใช้ธรรมะด้วยอาการรู้สึกว่ามี พอเป็นพระอรหันต์ก็เป็นอันว่าข้ามพ้นกระไสขึ้นสู่ฝั่งอันนี้เป็นตามความหมายในนี้ก็เป็น ก็แส้เหลวหมายถึงกระแสอกุศลกรรมโสดาบันโสตาหาปฏิเนี่ยอันหนึ่ง ที่ชื่อว่าโสดาปัตติมรรคบุคคลแต่ว่าโดยจิตนั้นเป็นชื่อของสภาวธรรมโดยจิตจิตใดที่ <c oughs> สัมภาษกินเนี่ยแปลว่าครั้งเดียวตกะเทวะแปลว่าเพียงครั้งเดียวอาคามีแปลว่ากลับมามาแปลว่าทางจิตก็คือจิตงั้นผู้ที่บรรลุสักกทาคามิมรรคจิตนั้นคือผู้ที่จะกลับมาเพียงครั้งเดียวอันนี้เป็นการ บุคคลโวหารเลยเพราะว่าจิตเนี่ยมันพูดว่ากลับไปกลับมาคือคนที่ ในโลกเทวดาบางคนก็บรรลุในโลกมนุษย์ปรินิพพานในโลกมนุษย์ โลกมนุษย์นี่ท่านที่พูดอย่างนี้หมายความว่าเอาเกณฑ์อย่างเลวที่ ไม่รอไม่กลับไปที่อื่นไม่ไปต่อที่อื่นอีกได้แต่ 7 ชาตินี่เค้า เอ่อที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าแต่ 2 อย่างอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของความบุญพันความบุญพันในใจอีกอย่าง ไม่เจอตัวอย่างอย่างในพระไตรปิฎกก็ไม่มีนะแล้วก็คงจะมีไม่ได้เพราะ มีความจําเป็นจะต้องมารับธรรมะจากปฏิญาณของเราด้วยก็โดยมากจะมาใน ยังไม่ได้เวลาลงมาไม่ได้เวลาลงมาลงมาน่าจะมีอย่างนี้แต่ว่า คือหนึ่งอยากเป็นคนที่มีบุญบารมี ก็อยู่บนนู้นแต่ว่ายังไงก็ตามที่พูดไว้อย่างนี้ก็ต้องลืมอย่าลืมนึกถึง คือว่าร้อยปีสักน้อยเต็มทีนี่เหมือนได้ใหม่ 2,000 ปีกับเทวโลกเนี่ย 5,000 ปีจะลงมา ในบางเลยหาตัวไม่ได้ตัวไม่ได้ทีถ้าจะ <c oughs> ที่แปลว่าจิตที่ถึงซึ่งทางที่ไม่กลับมาอีกคือไม่เดิน ในสักกปณาสูตรเนี่ยเคยมีพระโสดาบันถ้ามีพระแต่ว่า กลับมาสู่เทวโลกแต่กลับมาสู่ความเป็นมนุษย์นั้น เป็นผู้กำจัดเป็นผู้ควรบูชาเป็นผู้ไม่มีที่ซึ่งแปลว่าผู้ไร้จากกิเลสก็ได้แปลว่าผู้กำจัดคือกำจัด จะเป็นบาปเล็กฝากน้อยทุกอย่างหมดสิ้นไปจักสันดานท่านนั้นอรหันต์อรหัตตาเนี่ย พระอรหันต์ก็ต้องปรินิพพานในอรรถภาพนั้น การบรรยาย 15 นาทีนะครับเดี๋ยวมาพบกันใน จึงมีชื่อว่าโลกุตตรจิตมีจํานวน 8 ดวงโลกุตตรจิต 8 นั้นก็ 4 หรือเรียก 4 ดวงและ 4 ดวงเรียกอีก 4 อันนี้ก็เป็น 8 ดวงโดยพิสดาร ก่อนอื่นนั้นเราก็จะต้องทําความเข้าใจความหมายของคําว่าโลกุตตระจิตที่ๆชื่อแต่ชื่อที่คล้ายๆกัน ถอนคำว่าใส่ณณต่อก็รวมเป็นอนุตระเป็นอนุตตรแปลว่าจิตซึ่งไม่ <c oughs> <c oughs> ที่ว่าด้วยเรื่องของจิตตานุปัสสนาก็หมายความว่าโลกุตตรจิตนั้นเป็นอนุตตรจิตคือเป็นจิตที่ไม่มีจิตอื่นที่ประเสริฐกว่า สาอุตตระจิตสาแปลว่ามีอุตตระแปลว่าเหนือสาอุตตระจึงแปลว่าจิตที่มีจิตอื่นเหนือกว่าหรือสูงกว่าหรือยิ่งกว่า ด้วยจิตที่พ้นไปจากโลกก็ได้ดังนั้นคําว่า แปลว่าเปลี่ยนแปลงหรือตรงกับคําว่าอนิจจังก็ได้แปลว่าไม่เที่ยงคือมีอันจะต้องเปลี่ยนไปเป็นๆขณะความที่มี ที่เป็นโลกครับเพราะว่าสังขารธรรมทั้งปวงนั้นมีความเป็นอนุขณะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆทุกๆวินาทีตามศัพท์โลกจึงแปลว่าพินาศกว้างกว่า ระรายนั้นโลกเราจะหมายถึงโลกที่ 3 อย่างคือโอกาสะโลกซึ่งหมายถึงโลกอันเป็น ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ในโอกาสสโลกมีโลกที่ 2 โลกอย่างที่ 3 ในแง่นี้ก็แบ่งเป็นอสังขตธรรมธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยประุงๆ ที่นอกเหนือจากพระนิพพานแล้วเรียกว่าสังฆตะธรรมหรือสังขารธรรมเรียก 3 อย่าง เป็นอันเดียวกันคือว่าเป็นสังขารธรรมคือที่เรียกว่าเป็นการกล่าว เหลียดสภาวะธรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นของมีเรียกเป็นที่บัญญัติเรียกเป็นที่เกิดแม้ ที่เป็นจึงเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นถึงแม้ว่าสัตว์ตัวบุคคลอย่าง หรือโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยก็อันหนึ่ง แต่จริงๆก็อาศัยอยู่บ้างล่ะครับเพราะว่าเพราะมีสัตว์เนี่ยสัตว์ทํา กระทำของสัตว์นั่นเองภูมิทั้งหลายนี่ก็เหมือนอย่างนี้อย่างที่ คราวนี้ก็มาพูดถึงว่าสังขารธรรมนั้นเป็นเนื้อวัตถุของโอกาสสรโลกนั่นเองสังขารโลก ทั้งโอกาศสโลกและสัตตวโลกนั้นเป็นอัน 3 นี้ถ้าเราจะเนี่ยก็ อฌานโลกุตตรจิตนั้นพ้นจากโลกจริงหรือโลกุตตรจิตนั้นเกิดอยู่ในในสัตว์หรือเกิดอยู่นอกสัตว์อยู่ในสัตว์อยู่ในสัตว์เป็นคําชวนให้พิจารณาหาแง่มุมที่ท่านประสงค์แล้วแยกแง่มุมที่ไม่ประสงค์เอาออกเสียโลกุตตรจิต คือกลุ่มขันธ์แต่ละหน่วยแต่ละๆที่เป็นโลกียจิตเช่น จะเลือกว่าพ้นไปจากโลกได้อย่างไรเพราะถ้าสัตว์ไม่ปรากฏโลกุตตรจิต แต่มาก็ปลูกพันกับสัตว์สัตว์ปลูกพันอยู่เราก็สงสัยแล้วว่า พ้นไปจากโลกอย่างไรเมื่อไม่พ้นไปจากโอกาสะโลกเมื่อไม่พ้นไปจาก ความหมายที่ท่านแต่หมายความว่าพ้นคือหนึ่งว่า คือเรื่อง 24 มาแล้ว 2 คําก็จบแล้วนะแต่นี่ว่าเรายัง 2 2 นะ ทั้ง 3 นี้นี่ 2 อย่างนี้นะฮะที่เป็นความหมายที่ท่านต้องการตึงชื่อ ใช่มั้ยโลอตลจิตของพระโสดาบันของนะก็ อรูปฌาน 4 นั้นมีอารมณ์เหมือนและหากกุศลจิตแม้ว่าจะเป็นโลภะเหมือน ถ้าเราอาจจะนึกค้านว่าก็จักขุวิญญาณมีรูปารมเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มี ที่มีรูปารมเป็นอารมณ์เนี่ยมันรูปเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันใช่มั้ยอิตถารมก็มีอนิตถารมๆหยาบบ้างประณีตบ้างปานกลางบ้างแตกต่างกันคุ้นชื่นชมชื่น <c oughs> โลกุตตรจิต 8 และชื่อว่าเป็นผู้เสพแล้วก็ทิ้งอารมณ์โลกเมื่อนั้นเป็นการทิ้งอารมณ์โลกเป็นสุดยอดของความวิเวกเป็นสุดยอดของความสงัดทิ้งได้อย่างสนิท ไกลออกไปเลยพูดว่าเรามันนึกว่าถ้าเราเกิดความรู้สึกว่าโลกนี้มันวุ่นวายเหลือเกินโลกนี้มันน่าเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินทีวีเหลือ แต่อารมณ์โลกอื่นๆมันก็แทรกเข้ามาทําให้เราเกิดความไม่สงัดทางใจอย่างแท้ เป็นต้นต้นคือทิ้งอารมณ์ในโลกนี้ละอารมณ์ในโลกนี้หายเป็นปลิดทิ้งไปพระ อีกเล่นคือผลสมาบัติก็เป็นอารมณ์นี่คือพ้นจากโลกอย่างนี้และไม่มีใครเลย เรียกว่าพ้นจากโลกในความหมายที่หนึ่งพ้นจากโลกในความพวกอื่นคือเนี่ยนะเรานึกถึงอกุศลจิตพวก อรูปาวจรเมื่อเกิดขึ้นแล้วซึ่งเป็นวิบาก